ธรรมะปัญญาที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสนั้นอะไรบ้างคือหนึ่งเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างการแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามสองเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา 3. เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างกันแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา 4. เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างการแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะ 5. เธอทั้งหลายพึงทราบกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างกันแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม 6. เธอทั้งหลายพึงทราบทุกเหตุเกิดแห่งทุกความต่างกันแห่งทุกวิบาแห่งทุกความดับแห่งทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุก ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่ากามคุณห้าประการ น, นี้คือหนึ่ง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 ให้ใครพาใจให้กำนัดภิกษุทั้งหลายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาได้ตรัสเวยยกรพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ต่อไปอีกว่าสังกับประราคะของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิ จ, จิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากาม สังกับ ร, ราคะของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกตั้งอยู่ตามสภาพของตนเท่านั้นแต่ทีระชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์ที่วิจิตเหล่านั้นได้เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไรคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งการในรสเป็นอย่างหนึ่งการในโผฏฐะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างการแห่งการวิบากแห่งกามเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ทำอัตภาพที่เกิดจากความใคร่นั้ น, น, นให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี้เรียกว่าวิบากแห่งกาม ความดับแห่งกามเป็นอย่างไรคือเพราะพัรษดับกามจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบสมสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ หสัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดกามอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งกามอย่างนี้นรู้ชัดความต่างกันแห่งกามอย่างนี้นรู้ชัดวิบากแห่งกามอย่างนี้นรู้ชัดความดับแห่งกามอย่างนี้ รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกลามอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุจำแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งกลามนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกลามละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกลามเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าเวทนาสประการนี้คือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์มอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยเหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือพัสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนา ความต่างการแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีทุกขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีทุกขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีอทุกคมสุขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีอทุกคมสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งเวทนา วิบากแหงเวทนาเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้รู้สึกอยู่ทําอัตภาพที่เกิดจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี้เรียกว่าวิบากแหงเวทนาความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือเพราะภัษะดับเวทนาจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาได้แก่ อริยมรรคมีองค์8นี้คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเพราะอาริยสาวกรู้ชัดเวทนาอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำรกกิเลสอันเป็นที่ดับแห่งเวทนานี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเรากล่าวไว้เช่นนี้แล ว, ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาละถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าสัญญาหกประการนี้คือ 1. รูปสัญญากำหนดหมายรูป 2. สัทธสัญญากาหนดหมายเสียง 3. คันทสัญญากำหนดหมายกลิ่น 4. รสสัญญากาหนดหมายรส 5. โพธภาสัญญากำหนดหมายโพธะ 6. ธรรมสัญญากำหนดหมายธรรมรมเหตุเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างกันแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือสัญญาในรูปเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในเสียงเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในรสเป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในโภถภะเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในธรรมเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือเรากล่าวว่าสัญญามีคำพูดเป็นผลเพราะว่าบุคคลกําหนดหมายอย่างใดก็พูดไปอย่างนั้นว่าเรามีสัญญาอย่างนี้นี้เรียกว่าวิบากแห่งสัญญา ความดับเห่งสัญญาเป็นอย่างไรคือเพราะภัษะดับสัญญาจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเห่งสัญญาได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง8สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดสัญญาอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งสัญญาอย่างนี้ รู้ชัดวิบากแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชํ่มแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งสัญญานี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพาึงทราบสัญญาและถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาเรากล่าวไว้เช่นนี้แล ว, ว่า เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะและถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าอาสวะสามประการนี้คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวสวะอาสวะคือภพบ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชา เหตุเกิดแห่งอาสวะเป็นอย่างไรคืออวิชชาเป็นเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างการแห่งอาสวะเป็นอย่างไรคืออาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่นรกก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่แดนเปรกก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่มนุษยโลกก็มีอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่เทวโลกก็มี นี้เรียกว่าความต่างกันแห่งอาสะวะวิบากแห่งอาสะวะเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลมีอวิชาย่อมยังอัตภาพที่เกิดจากอาวิชานั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี้เรียกว่าวิบากแห่งอาสะวะความดับแห่งอาสะวะเป็นอย่างไรคือเพราะอาวิชาดับอาสะวะจึงดับ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเพราะอาริยสาวกรู้ชัดอาสวะอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งอาสวะอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งอาสวะอย่างนี้ รู้ชัดความดับแห่งอาสะวะอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสะวะอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชแระกิเลสเป็นที่ดับอาสะวะนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอาสะวะและถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสะวะเรากล่าวไว้เช่นนี้แลวว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกรรม ละถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าเราเกล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทากรรมด้วยกายวาจาใจเหตุเกิดแห่งกรรมเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างกันแห่งกรรมเป็นอย่างไร คือกรรมที่พึงเสวยในนรกก็มีกรรมที่พึงเสวยในกาเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีกรรมที่พึงเสวยในแดนเปรตก็มีกรรมที่พึงเสวยในมนุษยโลกก็มีกรรมที่พึงเสวยในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างการแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมเป็นอย่างไรคือเรากล่าววิบากแห่งกรรมว่ามีสามประการคือหนึ่ง กรรมที่พึงเสวยในปัจจุบัน 2. กรรมที่พึงเสวยในอัตภาพถัดไป 3. กรรมที่พึงเสวยในอัตภาพต่อๆไปนี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรคือเพราะผัสสะดับกรรมจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฐิ ละถึง8สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสาวกรู้ชัดกรรมอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจันทร์ที่เป็นเหตุชํำ ร, ร, รกกิเลส เป็นที่ดับกรรมนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมและถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าเธอทั้งหลายพึงทราบทุกเหตุเกิดแห่งทุกความต่างกันแห่งทุกวิบากแห่งทุกความดับแห่งทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุก เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าแม้ชาติความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ชราความแก่ก็เป็นทุกข์แม้มรณะความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกะความโศกปริเทวะความคร่ะหครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุบายาตความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือทุกข์มากก็มีทุกข์น้อยก็มีทุกข์ที่คลายช้าก็มีทุกข์ที่คลายเร็วก็มีนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งทุกข์ วิปลาแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกทุกข์ใดครอบงำมีจิตถูกทุกข์ใดกลุ้มรุมย่อมเศร้าโศกลําบากใจร่ำไรทุกข์อกคร่ําครวญถึงความเลอะเลือนหรือบุคคลถูกทุกข์ใดครอบงำมีจิตถูกทุกข์ใดคลุ้มรุมแล้วย่อมหาเหตุเปลื้องทุกข์ในภายนอกว่าใครจะรู้บทเดียวหรือสองบทเพื่อดับทุกข์นี้ได้ เรากล่าวว่าทุกนั้นมีความหลงเป็นผลหรือมีการสแสวงหาเรื่องทุกภายนอกเป็นผลนี้เรียกว่าวิบากแห่งทุกความดับแห่งทุกเป็นอย่างไรคือเพราะตัญหาดับทุกจึงดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์อริยมักมีองค์8ดนี้คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลาย เพราะอริยสาวกรู้ชัดทุกขอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทุกขอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งทุกขอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งทุกขอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งทุกขอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกขอย่างนี้เธอจึ ง, งรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำรกกิเลสเป็นที่ดับทุกนี้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าเธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายที่เป็นเหตุชำระกิเลสนี้นั้นเป็นอย่างนี้แลนิเพติกะสูที่9จบ สีหนาทสูตรว่าด้วยการบรนเลอสีหนาภิกษุทั้งหลายกําลังของตถาคตหประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรนเลอสีหนาประกาศพรหมจักในบริษัทกําลังของตถาคตหประการอะไรบ้างคือ 1. ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะ และอาถานะโดยเป็นอาถานะในโลกนี้ตามความเป็นจริงการได้ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอาถานะโดยเป็นอาถานะตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาฏประกาศพรมาจากในบริษัทสอตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีต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 ตาถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตตามความเป็นจริงการที่ตาถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงแแ mRNA, นี้เป็นกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยแล้วปติญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหะนาทประกาศพรหมจักในบริษัท 4. ตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้การที่ตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ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 เป็นเหตุให้ปติญญาฐานะที่องอาจบรรลือีหาะประกาศพรหมจักในบริษัทพิสุทั้งหลายบรรดากำลังของตถาคตหประการนั้นหากชนเหล่าอื่นเข้ามาหาตถาคตถามปัญหาถึงญาณรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอัฐานะโดยเป็นอัฐานะตามความเป็นจริงตถาคตเมื่อถูกถามย่อมพยากรณ์ญาณรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะ และอาถาระโดยเป็นอาถานะตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้นตามที่ตถาคตรู้แจ้งยานรู้ชั ด, าดานะฐานะโดยเป็นฐานะและอาถานะโดยเป็นอาถานะตามความเป็นจริงหากชนเหล่าอื่นเข้ามาหาตถาคตถามปัญหาถึงยานรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริง ตถาคตเมื่อถูกถามย่อมพยากรณ์ยานรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้นตามที่ตถาคตรู้แจ้งยานรู้ชัดวิบากแห่งการยึดกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงหากชนเหล่าอื่นเข้ามาหาตถาคต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 ตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้นตามที่ตถาคตรู้แจ้งยานรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ่วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงหากชนเหล่าอื่นเข้ามาหาตถาคตถามปัญหาถึงยานรู้ชัดความรึก ช, ชาติก่อนได้ตามความเป็นจริงตถาคตเมื่อถูกถาม ย่อมพยากรณ์ยานรู้ชัดความระลึกชาติก่อนได้ตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้นตามที่ตถาคตรู้แจ้งยานรู้ชัดความรืลึกชาติก่อนได้ตามความเป็นจริงหากชนเหล่านั้นเข้ามาหาตถาคตถามปัญหาถึงยานรู้ชัดการจุติและการเกิดของหมู่สัตว์ตามความเป็นจริงตถาคตเมื่อถูกถามย่อมพยากรณ์ยานรู้ชัดการจุติและการเกิดของหมู่สัตว์ ตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้นตามที่ตถ า, าคตรู้แจ้งยานรู้ชัดการจุติและการเกิดของหมู่สัตว์ตามความเป็นจริงหากชนเหล่านั้นเข้ามาหาตถ า, าคตถามปัญหาถึงยานรู้ชัดความสิ้นอาสวะทั้งหลายตามความเป็นจริงตถ า, าคตเมื่อถูกถามย่อมพยากรณ์ยานรู้ชัดความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงแก่ชนเหล่านั้น ตามที่ตถาคตรู้แจ้งญาณรู้ชัดความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงเรากล่าวว่าญาณรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอาฐานะโดยเป็นอาฐานะตามความเป็นจริงนั้นเป็นของบุคลลววบคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่าญาณรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม ที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงนั้นเป็นของบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่ายานรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ่แห่งฌานวิโมกข์สมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกข์สมาธิและสมาบัตินั้น เป็นของบุคคลผู้มีจิต HS เป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิต HS ไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่ายานรู้ชัดความระลึกชาตก่อนได้ตามความเป็นจริงนั้นเป็นของบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่กล่าวว่าเป็นของบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิเรากล่าวว่ายานรู้ชัดจุติและการเกิดของหมู่สัตว์ตามความเป็นจริงนั้น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 สีหนาทสูตรที่10บจบมหาวักที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โซนสูตร 2. ภคุณะสูตร 3. ชละพิชาติสูตร 4. อาสวะสูตร 5. ทารุกามิกะสูตร 6. หัตติสาริปุตตะสูตรเมัชเเสูตร8 ปุริสินทริยะยานสูตรเก้านิเพธิกะสูตรสิบสีหนาทสูตรเจ็ดเ <PO OR> ทวตาวักหมวดว่าด้วยเทวดาหนึ่งอนาคามิผลสูตร ว่าด้วยอนาคามิผลภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่มีศรัทธา 2. ความไม่มีหิริ 3. ความไม่มีโอตตะปะ 4. ความเกียจคร้าน 5. ความหลงลืมสติ 6. ความมีปัญญาสาม ภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรมหกประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งานาคามิผลได้ภิกษุละธรรมหกประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งานาคามิผลได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่มีศรัทธา 2. ความไม่มีหิริ 3. ความไม่มีโอตปะ 4. ความเกียรคร้าน 5. ความหลงลืมสติ 6. ความมีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมหประการ น, นี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอนาคามิผลได้อนาคามิผลละสูตรที่หนึ่งจบ อ, อรหัตตสูตรว่าด้วยอรหัตผลภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำห6ประการอะไรบ้างคือ 1. ถีนะความหดหู่ 2. มิทะความเสื่องซึม 3. อุทจจะความฟุ้งซ่าน 4. กุกุจจะความร้อนใจห้ อาสัตถยะความไม่มีศรัทธา 6. ประมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทําให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุละทำหกประการได้แล้วจึงอาจทําให้แจ้งอรหัตผลได้ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. ถีนะ 2. มิทะ 3. อุทัจจะ 4. กุกุจจ 5. อาสัตย 6. ประมาทะภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำห6ประการ น, นี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อรหัตสูตรที่สองจบ มิตรสูตรว่าด้วยมิตรภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วเสพคบเขาเ้าไปนั่งใกล้มิตรชั่วและประพฤตตามิตรชั่วเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้ว จากบำเพ็ญเสขาธรรมให้บริบูรณ์ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญเสขาธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจากละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดี เสภคบเข้าไปนั่งใกล้มิตร ด, ดีและประพฤติตามมิตรดีเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญเสคธรรมให้บริบูรณ์ได้เป็นไปได้ที่พิกษุบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้ เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญศีทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจากละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะได้มิตรสูตรที่3จบ 4. สังคณิการามสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมูประกอบความชอบการคลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ชอบคณะยินดีในคณะประกอบความยินดีในคณะจากยินดีในปวิเวกตามลําพังได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้ไม่ยินดีในปวิเวกตามลำพังจกถือเอานิมิตแห่งจิตได้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้ไม่ถือเอานิมิตแห่งจิตจกบาเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้ไม่บาเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจกบาเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิษุ ผู้ไม่บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์แล้วจักละสังโยชน์ได้ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ยังละสังโยชน์ไม่ได้แล้วจักทำให้แจ้งนิพพานได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมูไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ประกอบความชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ชอบคณะไม่ยินดีในคณะ ไม่ประกอบความยินดีในคณะจากยินดีในปวิเวกตามลาพังได้ 2. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ยินดีในปวิเวกตามลาพังจากเธอเอานิมิตแห่งจิตได้ 3. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้ถือเอานิมิตแห่งจิตจากบํมเพนสัมมาทิชชีให้บริบูรณ์ได้ 4. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้บําเพนสัมมาทิชชีให้บริบูรณ์แล้ว จากบำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ 5. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์แล้วจกละสังโยชดได้ 6. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ละสังโยชดได้แล้วจกทําให้แจ้งนิพพานได้สังคณิการามสูตรที่สจบ เทวตาสูตรว่าด้วยเทวดาแสดงธรรมครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำหกประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำหประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ้าความเป็นผู้ว่าง่าย 6. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดี ค้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำหกประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุเมื่อเทวดานั้นเรียกราบทูลดังนี้แล้วพระาศาสดาทรงพอพระทยัยครั้นเทวดานั้นทราบว่าพระาศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงถวายอภิวาตทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลครั้นคืนนั้นผ่านไป พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวั น, นงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทำหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในราศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในศิษขา 5. ้าความเป็นผู้ว่าง่าย 6. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำหกประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหวเราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแหลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ าพระองค์ทราบชัดเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระาศาสดาสัเสรเซิญความเป็นผู้มีความเคารพในพระาศาสด า, าชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีความเคารพในาศาสดาให้มีความเคารพในพระาศาสดาทั้งประกาศคุณที่มีอยู่จริงของภิกษุเหล่าอื่น ผู้มีความเคารพในศาสดาตามการอันควร 2. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมละถึง 3. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในศีลขาห้าตนเองเป็นผู้ว่าง่าย 6. ตนเองเป็นผู้มีกาลยานมิตรสันเสริมความเป็นผู้มีกาลยานมิตร ชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีกาลยานมิตรให้เป็นผู้มีกาลยานมิตรทั้งประกาศคุณที่มีอยู่จริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีกาลยานมิตรตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความแห่งพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยยออ่อได้โดยพิสดารอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรดีละดีละ เป็นการดีที่เธอรู้เนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้โดยย่อนนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้สารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้มีความเคารพในศาสดาสัรเสริญความเป็นผู้มีความเคารพในศาสดาชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาให้มีความเคารพในศาสดาทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่น ผู้มีความเคารพในพระศาสดาตามการอันควร 2. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในธรรมละถึง 3. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสงส์ 4. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในศสิขาห้าตนเองเป็นผู้ว่าง่าย 6. ตนเองเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสันเสริมความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรชักชวนภิกษุเหล่าอื่น ผู้ไม่มีกัลยาณมิตรให้เป็นผู้มีกัลยาณมิตรทั้งประกาศคนที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีกัลยาณมิตรตามการอันควรสารีบุตรบัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้แหลเทวตาสูตรที่5จบ